ผู้ที่ยังไม่เคยมาคงจะจะถามว่าพระในวัดของเรามีเท่าไหรหลวงพ่อวัดในวัดนี้พระทั้งหมด42รูปนะลูกหลานแล้วันวันนี้พระไม่ลงมาฉัน10รูปพระท่านอดอาหารภาวนาของท่านนี่ละการสั่งสมคุณงามความดีการสั่งสมบุญนำสุขมาให้พวกลูกหลาน การทำมาค้าขายการทำมาหาเลี้ยงชีพการเร่าเรียนหนังสือการทำการทำงานตู่ภายนอกมีหลายวิชาอาชีพเดี๋ยวเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อการเลี้ยงชีพทำเพื่อหาเงินแล้วก็เพื่อจะได้ปัจจัย4ปัจจัย4ก็คืออาหารการบริโภค ผ้านุ่งหม่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยอันนี้คือการสะแสวงหาทรัพย์แต่ว่าการสะแสวงหาบุญก็คือทางด้านจิตใจคือการเสียสละหรือว่าการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือว่าการอ่อนน้อมถ่อมตน การอ่อนน้อมสมตนไม่ได้เสียเงินเสียทองไม่ได้เสียอะไรแต่ว่าการอ่อนน้อมเมื่อเราอยู่กับพ่อแม่เราก็รู้จักพระคุณของพ่อของแม่จากเมื่อวานเนี่ยเป็นวันทําบุญข้าวประดับดินอันนี้ก็คือเป็นการถ้าจะเปรียบเทียบกับชาวจีนของเขาเข า, าทาบุญไหว้เจ้า ลำเนื้ถึงบรรพบุรุษแต่ที่เมืองไทยของเราอีสานเหนือของเราก็ว่าทำบุญข้าวประดับดินเพื่ออุทิศสวนกุศลต่อบรรพชนคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีอุปกรารคุณสําหรับพวกเราอันนี้ก็คือการบําเพ็ญคุณงามความดีเพราะในหลักของพระพุทธศาสนาประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าตายแล้วไม่สูญ อันนี้คือคำนี้หลวงพ่อพูดให้แก่็ณัศรัทธาญาติโยมลูกหลานเพื่อการศึกษาเพื่อการได้ยินได้ฟังถ้าหากว่าไม่มีใครพูดตายแล้วมันจะไปไหนตายแล้วก็หายเงียบไปตายแล้วก็เห็นจะไปเผาผีกันแล้วก็หายเงียบไปไม่มีออกมาพูดอีกก็จบไปแต่ตามไม่จริงเรื่องาธาตุขันร่างกายเนี่ยต้องเผา หายสาบศูนย์ไปแน่ๆแต่เรื่องดวงวิญญาณคือใจนั่นน่มันไม่หายไม่สาบศูนย์อันนี้จุดนี้สำคัญเพราะนาลกสวรรค์มีอย่างในครั้งพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกที่พวงหลวงพ่อเองได้ฟังได้ศึกษาได้อ่านแต่จะเกิดความเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแท้แต่พวกเราท่านทั้งหลายจะวิเคราะห์แต่ในหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาจริง พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้อะไรในวันเดือน6กเพนนนั้นอันนั้นแหละเป็นเครื่องเป็นหลักพิสูจน์สําหรับพวกลูกหลานทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ไปภาวนาได้บําเพ็ญทําจิตใจให้สงบจากนั้นพระองค์ก็รู้ด้วยปุบเพนในวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้จากนั้นท่านได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาตลอดน้ำมาก็ มาถึงยุคของพวกเราลุกยุคของพวกเราก็คือหลงปู่เสาหลงปู่มั่นหลงตาบ้านตาดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในยุคปัจจุบันที่ธรรมเทศนาของท่านในยุคนี้สมัยนี้พวกเราก็ได้ไปกราบพระเจดียต์ต่างๆเมื่อ เ, าเราไปกราบเราก็เห็นอธิธาต์ของท่านหรือว่ากระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุ ให้พวกเราได้กราบได้ไหว้ได้เคารพสักการะบูชาอันนี้ก็คือถ้าจะพูดไปก็คือกระดูกของพระอระหรันต์เป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือผู้ทําจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแต่ถ้าว่าผู้ธรรมดาเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้เราเชื่อไหมกระสุดแท้แต่พวกเราเพราะไม่มีใครที่จะบังคับให้เชื่อหรือบังคับไม่ให้เชื่อ กสุดแท้แต่พวกเราจะใช้ดุลยพินิษในการพิจารณาแต่นี้มาพูดถึงเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านะเมื่อเราได้ศึกษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้อะไรปุเพเนวาสานวจติยานจุตูปปาตยานอาสาวัยายาณพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านบอกว่านรกสวรรค์มีตายแล้วไม่สูต่ตายแล้วเกิดแต่นี้ท่าน็ยืนยัน พ ร, ระพุทธเจ้าของเราเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านปารภ ถ, ถึงอุบาสิกาคนหนึ่งอุบาสิกาคือโยมผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นดูแลพระสงฆ์แต่น้นางคนนี้นะ่ยอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงพออยู่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่กับบริวารเป็นบริวารของเทพพบุตร เทวบุตรองค์หนึ่งมีบริวารมีหมู่พวกเพื่อนมากสนุกสนานเพลินเพลินเฮฮาถึงวันเวลาก็นัดไปเที่ยวชมสวนอุทยานเก็บดอกไม้เทนางคนนี้นางเทวดาคนนีนะ้กำลังไปชมสวนอยู่ไปอยู่กับบริวารหมู่พวกเพื่อนกําลังสนุกสนานอยู่ก็พอดีบุญของตัวเองหมดหมดบุญ คนหมดบุญคือมวลเงิหมดสตางค์นั่นแหะมันไม่สนุกสนานแล้ะมันหมดสตางค์ไม่รู้จะเที่ยวยังไงเพราะว่าบุญกุศลเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนเมืองมนุษย์ถ้าเมืองมนุษย์ถ้าหมดเงินเราจะหยิบยืมของเขาขอเป็นหนี้ไว้ก่อนอผมขอเป็นหนี้ก่อนนะอย่างนี้เขาก็ให้มาเราก็เป็นหนี้เขาแล้วจากนั้นมาเราก็หาใช้คืนเขาแต่นี้เทวดาเนี่ย มันยืมกันไม่ได้อย่า ใ, ใครหมดบุญก็รู้แก่ใจถ้าเป็นผู้สังเกตจะรู้ได้ปะตัวเองหมดบุญเทวดาที่จะหมดบุญคือกระวนกระวายเอ่อแล้วก็มีความทุกข์ในใจใคล้ายๆบอกหาความสุขไม่ได้ผู้เป็นบริวารหรือผู้เป็นผู้ที่เป็นผู้รู้อยู่ในนั่นก็บอกเออคุณจะหมดบุญใน ล, ลักษณะอย่างนี้คือหาความสบายกายสบายใจไม่ได้ หรือเงือออกในตัวเงือออกมีเงือออกในเทวดาตามปกติจะไม่มีเงือแต่นีเทวดามีเงือออกแสดงว่าเทวดากนนั้นจะหมดบุญแล้วแต่ น, นางกนลังสนุกสนานหมู่พวกเพื่อนก็ไม่ได้สังเกตพอนางฉะนั้นพอหายวับมันไม่ได้เผาผีจีกระดูกเหมือนเมืองมนุษย์นะพอหายวับร่างกายก็หมดบุญไปเลยลงมา ลงมากำมาเกิดที่กรุงสาวัตถีไปเกิดในตระกูลหนึ่งก็ไม่ใช่ตระกูลที่ร่ำรวยมากแต่ก็พอเกิดขึ้นมาแล้วนางระลึกชาติวนหลังได้เออมื่อกี้เนี่ยเราอยู่สวรรค์แต่เรามาเกิดในเมืองมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แล้วข่าวเนี่พอมาเกิดขึ้นมาก็กรู้สึกตลอดเลยว่าเราเกิดเราระลึกชาติวนหลังได้เราเกิดอยู่บนสวรรค์ ในใจของนางเนี่ยยังล้ำลึกถึงเทวบุตรหรือว่าเทวดาหมู่พกเพื่อนอยู่สนุกสนานเพลิดเพลินกันอยู่จากนั้นนางก็อายุ16ปีก็ได้แต่งงานพอแต่งงานก็มีสามีพอสามีแล้วก็ออต่อมาก็มีลูกแต่นางตั้งแต่รู้เรียงสาภาวะมาเจดแปปีขึ้นมานางก็ไปช่วยทําบุญในหมู่บ้านคล้ายๆว่า พระ ส, สงฆ์มาฉันมาฉันในชุมชนมาฉันในชุมชนหมู่บ้านของเรานางคนนี้จะเป็นผู้จัดอาสนะเป็นผู้จัดถาดเป็นผู้จัดถ้วยชามจากนั้นก็เป็นผู้ทําความสะอาดปัดกวาดให้เขาว่าเป็นหัวหน้าหมู่พกเพื่อนในการดูแลที่ที่ฉันจากนั้นใครเอาอาหารมาถวายพระถ้าตัวเองไม่ได้อยู่ก็ บ, บอกฝากไว้กับนางคนนี้แหละชื่อนาง ปฏิปูปฏิปูชิกานะถ้ท่านทมพอจะไม่ผิดนะเน่ยใครเขาว่าเป็นผู้ดูแลดูแลพระสงฆ์นางนี่ก็ดูแลพระสงฆ์ด้วยศรัทธาแต่ในใจของนางนั้นถ้าเมื่อข้าพเจ้าตายไปช่วงใดขณะใดก็ตามขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดบนสวรรค์ที่เก่าด้วยเธ อ, เอขึ้นในะแนวความคิดนะถึงจะมีสามีในเมืองมนุษย์แต่ในใจนันก็ยังคิด ถึงอยู่ชั้นสวรรค์อยู่ในชั้นสวรรค์ชั้นราวดึงอยู่แตน่นางก็ดูแลปณิบัติพระสงฆ์ทุกอย่างแต่นางก็ได้ลูกทั้งสี่คนนะดูทั้งสี่คนแล้วนางก็เป็นผู้ดูแลปณิบัติพระสงฆ์เวลาขบฉันพระสงฆ์ก็มาแล้วก็เอาจัดอาณาบรรนางนี่ก็ดูแลเมื่อพระสงฆ์กลับไปแล้วก็ปัดกวาดทำความสะอาด ในหอประชุมในสมาคมของชุมชนของหมู่บ้านนั้นตอนนี้พอต่อมานางป่วยแบบกระทันหันนางก็เลยตายพอตายปุ๊บนางก็ไปเกิดบนสวรรค์ที่เก่าแต่พวกมนุษย์นี่กพระสงฆ์นี่ยไปเขาไปถามเอ้านางไปไหนวันนี้อาชนะยังไม่ได้จัดไม่ได้อะไรเลยดูๆล้วก็ยังไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนาง ปฏิภูชิกาเขาทําดีแต่บัด น, นี้ทําไมไม่มีใครนางไปไหนวันนี้ไปธุระอะไรคนทั้งหลายเขาก็บอกว่านางตายเมื่อวานนี่พระสงฆ์ทั้งหลายก็เกิดความสลดสังเวชใจเพราะมาทํางานด้วยกันแท้ๆดูแลพระสงฆ์ทุกวีทุกวันก็มาตายเสียแล้วนางได้ลูกสี่คนจากนั้นพระสงฆ์เมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปวัดป่าเชตตะวัน ระก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่านางปฏิภูริชิกาเนี่ยดูแลพระ ส, สงฆ์ติดตีแต่วันนี้นางไม่ได้อยู่นางไปหายไปตายไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านางคนนี้นะ่ะเขาลงมาจากสวรรค์จากชั้นดาวดึงเป็นบริวารคอเทวบุตรในขณะที่เขาตายเนะ่เขากำลังไปเก็บดอกไม้อยู่บนต้นไม้ อยู่บนสวรรค์แต่บัดนี้เขาลงมามาเกิดแต่คื อ, อยังไงใจของเขาก็ยังคิดถึงสวรรค์ชั้นเก่าอยู่แต่บัดนี้เมื่อเขาตายไปแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปสู่สวรรค์แล้วเพราะอันนิสงเขาทํามามีแต่เขาทําแต่คุณงามความดีตลอดเมื่อเขาตายจากเมืองมนุษย์แล้วเขาก็ไปสู่สวรรค์แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่สวรรค์เทวบทอยู่บนสวรรค์บริวารของเทวบท ที่เก็บดอกไม้อยู่นะ่ะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี่แกหายไปไหนบ่ะแอบมึงแล้วไปเข็งโผลขึ้นมาไปไหนมาเนี่ยนางคนนี้ก็ตอบว่าดิฉันไปเกิดเมืองมนุษย์เฮ้ไปเกิดทำไมมันไปเกิดไปยังไงนางก็เล่าให้ฟังว่าไปเกิดเมืองมนุษย์อายุสิบปีก็ได้แต่งงานจากนั้นก็มีครอบครัวแล้วก็ได้ลูกทั้งสี่คน แต่ในใจยังคิดถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่อยู่ตลอดเพราะนั้นข้าพเจ้าเมื่อตายจากแล้วข้าพเจ้าขึ้นมาเทวบตรก็ถามว่าเมื่อมนุษย์อายุเขาเท่าไหร่ร้อปีเป็นยืนพื้นอันนี้คืออายุยืนร้อยปีแล้วเขาทําบุญทําทานไหมในเมืองมนุษย์นางเทวดาเนี่บอกว่าเขาตั้งอยู่ในความประมาทเป็นส่วนมาก มีแต่เที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาเหมือนจะมีอายุเป็นอสงไขยปีจะตายไม่เป็นลักษณะอย่างนั้นแหะในเมืองมนุษย์เทวบตรนี่ก็เกิดความสลดสังเวชใจโอ้ทาไมเมืองมนุษย์จึงชราใจถึงขนาดนั้นจึงประมาท ถ, ถึงขนาดนั้นไม่สาะแสวงหาคุณงามความดีเข้าตัวเองเลยมีแต่ทํามาหาเลี้ยงชีพเป็นวันวันไปไม่ได้คิดเลยว่าไปข้างหน้านะั้นจะเป็นยังไง ทำไมมนุษย์จึงประมาทถึงขนาดนั้นอันนี้ก็คือเทวบุตรเทวดาที่ได้ฟังนางเทวดาขึ้นใหม่เนี่ยเกิดความสลดสังเวชใจแต่ทีนี้ท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านาเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยอายุของมนุษย์ร้อยปีเท่ากับเทวดาชั้นต่ำเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่ง บนสวรรค์ร้อยปีเมืองมนุษย์ เ, เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นชั้นจาตูมนี่แหละอันนี้ท่านไปเกิดอยู่ชั้นดาวดึงเทวเทวดาตนเนนะ่เพราะนั้นเวลาท่านเขายังไม่กลับสนุกสนานเขายังไม่กลับจากต้นไมเน้เมืองมนุษย์ป่าเข้าไปทั้ง40 50ปีแล้วคงคงจะเป็นผู้หญิงอายุ50ปีในะช่วงนั้นที่เขาตายไปนะ พอมีลูกทั้งส4มสี่คนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง40ขสบกว่าปีละ่ะในที่เขาขึ้นบนสวรรค์แต่เทวบุตรกับเทวดากลุ่มนั้นยังไม่หนีจากต้นไม้เนี่ยอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้พวกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมากน้อยอย่างไงแค่ไหนอันนี้ก็คือท่านพูดไว้สรุปแล้วก็คือตายแล้วไม่สุ่ตายแล้วเกิดอีกในหลักของพระพุทธศาสนาทาดีได้ดีดทาชั่วได้ชั่ว เพราะท่า น, นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ฟังเอาไว้ให้ศึกษาเอาไว้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านไปนั่งปฏิบัติอยู่ต้นโครนต้นโพนะปเุเพนิวาสานุสติญาณละลึกชาติหวนหลังได้ขึ้นทําจิตใจให้สงบแต่พวกเราลูกหลานคณะสัตยาญติโยมอยากจะพิสูจน์ว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงจังมากน้อยแค่ไหนกันนั่งอย่างพระพุทธรูปนั่งนะนะ นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้ารัวหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นทั้นว่าให้บริกรรมพุทโธด้วยพุทโธพุทโธด้วยเพื่อจะให้ใจของเราอยู่กับพุทโธในขณะที่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นใจของพวกเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่ง เราจะรู้ได้ว่าใจกับกายกายกับใจเป็นคนละอันกันจากนั้นใจของเราก็จะรู้ได้ว่าเออใจดวงนี้ถึงจะร่างกายจะแตกตายสลายลงไปเอาไปเผาไฟทิ้งแต่ใจคือนามธรรมคือผู้รู้รู้อยู่เดี๋ยวนี้จะต้องไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปสู่สวรรค์ชั้นพรมไปเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกไปได้ทั้งนั้นคือนามธรรมตัวนี้เพราะนั้น พระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องเรื่องของกาย ey. ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานี่ท่านให้ความสำคัญเรื่องนามธรรมคือนามธรรมคือตัวรู้โห này, สําคัญกว่าร่างกายแต่พวกโลกทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายให้ความสำคัญเรื่องของกายมากกว่าเรื่องของนามธรรมคือสิ่งที่ไม่เห็นเรามองเห็นเราให้ความสําคัญ รูปร่า ง, างตัวเสร็จสวยงดงามมั่งมีสีสุขอย่างไรเรามองเห็นเราให้ความสําคัญแต่หลักของพุทธศาสนาถึงจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะแต่ใจคนนั้นเป็นเปรตเป็นผีเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนโลก โ, โลเลเป็นคนที่ไม่ดีพูดง่ายๆสรุปแล้วคือเป็นคนที่ไม่ดีในหลักของพุทธศาสนาท่านไม่ให้ความสําคัญถึงจะมั่งมีสีสุกร่ํารวยขนาดไหนท่านไม่ให้ความสําคัญ แต่จนจากคนอะไรก็ตามขี่ไล่ขี่เละขนาดไหนก็ทำก็ตา ม, ตามหูหนวกตาบอดแล้วก็ตทำแต่ว่าคนนั้นเป็นผู้มีจิตใจเป็นอริยะบุคคลเป็นพระอรหรันต์จิตใจหมดจดจากกิเลสเพราะพระพุทธเจ้าหรือพระอรหรันต์นั้นอันนั้นแหละคืออริยชนคนนั้นแหละเป็นอริยชนมันตรงกันข้ามกับมนุษย์ของเรามนุษย์ของเราให้ความสําคัญเรื่องลูกประธรรม แต่ทําคําสอนของพระพุทธเจ้านะให้ความสําคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรมเพราะนามธรรมเป็นสิ่งที่ใหญ่มากในหลักของพุทธศาสนาท่านยกเป็นพระบาลีในพระบาลีว่ามโนปุพังคมาธรร ม, มามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพรา ะ, ะนั้นขอให้ลูกหลานทั้งหลายจัตวาญาโจมสลายได้ฟังฟังและเพื่อการศึกษานะ ส่วนที่จะเชื่อไม่เชื่อมากน้อยอยังไงแค่ไหนให้ฟังไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งปฏิเสธและจากนั้นให้พวกเราปฏิบัตินั่งสมาธิดูเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของเราสายหลวงปู่มั่นของเราท่านไปดูปาโรงพงไพรตามประวัติของท่านไปหาพอนาทำจิตใจให้สงบท่านยอมรับในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีการคิดเป็นอย่างอื่นเลยเชื่อร้อยทั้งร้อยเชื่อทั้งหมด เพราะว่าท่านปฏิบัติแล้วเป็นไปตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างเพราะนั้นท่านจึงเชื่อด้วยจิตด้วยใจจริงๆรงิท่านบอกว่ากายกับใจใจกับกายนรกสวรรค์ความดีความชั่วมีจริงถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วน่าจะตามสนองถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลเป็นสุขเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะฟังแล้วก็ให้สนใจใส่ใจ แล้วประกอบแต่คุณงามความดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำนะอย่าคิดอย่าพูดอย่าทาในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทำไปแล้วจะเดือดร้อนถ้าคิดดีทำดีพูดดีมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร